ก็หลวงพ่อก็ขอยให้พัฒนาแสดงทมแทนเนาะขอนอบน้อมต่อคุณพระตนไตรขอโอกาสหลวงพ่อํำเขียนเพื่อนสาธมิกทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีระญาติธรรมทุกท่านจะปิดไฟก็ได้เนาะแบงเมาจะได้ไม่มาเนาะอันนี้ก็เรียกว่าอ่า แมงเมานะเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะเขาก็มากันนะแมงเมานี่เป็นสัตว์ที่น่งสารนะมีไฟสว่างที่ไหนเขาก็ไปที่นั่นนะแม้แต่ในกองไฟเขาก็บินเข้าไปนะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอ่านะกำลังบินเข้าไปสู่ความตายนะแต่มนุษย์เราโดยดทั่วไปมนุษย์เรานะซึ่งฉลาดกว่านะสัตว์เล็กๆ เ, ลกเหล่านี้นะ แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะนำความทุกข์มาให้เราเราส่วนมากเราก็จะชอบทำตัวเองให้จมอยู่ในความทุกข์บางคนก็ไปคิดถึงเรื่องอดีตต่างๆที่ผ่านมาแล้วหลายๆปีนะ <c oughs> คิดแล้วก็มีความทุกข์นะคิดไปเรื่องเรื่องต่างๆนะเรื่องทำให้เรามีความเสียใจ <c oughs> มีความน้อยใจมีความโกรธทำให้เรามีความทุกข์นะคนเราจริงๆแล้วนะสามารถอาจากความทุกข์ได้เพราะว่าความคิดนั่นแหละมันนำความทุกข์มาให้เราถ้าเรารู้เท่าทันความคิดได้เร็วนะแล้วเราวางความคิดเหล่านั้ น, เ, นเราก็จะไม่ทุกขนะ์แต่คนส่วนมากก็จะไม่รู้เท่าทันความคิดนะ กว่าจะรู้ว่าเราคิดก็เราก็คิดไปไหลวนวนเวียนจนออกจากความคิดไม่ได้นะบางคนคิดเนี่ยรู้ว่ากาลังคิดแต่ก็ออกจากความคิดไม่ได้นะก็เลยมีความทุกข์ยาวนานนะนะนะบางคนนี่รู้ว่าจิตตอนนี้เราเสียแล้วนะเรากำลังติดอารมณ์อยู่นะเรากาลังมีความเศร้านะมีความนะน้อยใจนะ ก็ออกจากอารมณ์ไม่ได้เหมือนกันนะทั้งทางที่รู้อยู่ก็ออกไม่ได้หรือแม้แต่มีความโกรธเราก็ออกจากอารมณ์ไม่ได้นะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยไม่มีกำลัง <S <S เราไม่เคย <c oughs> ไม่เคยสร้างจิตนะให้เขาสามารถที่จะปล่อยวางได้นะเราก็ไปยึดจิตใจในตรงนั้นนะว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะมีความโกรธก็นึกว่าเรากโกรธนะ มีความน้อยใจก็นึกว่าเราน้อยใจนะมีความรักก็นึกว่าเรามีความรักนะมีความคิดก็นึกว่าเราคิดนะเพราะว่าเราเราไม่รู้ความจริงว่าจิตใจก็ไม่ใช่ตัวไม่ ต, ตนนะจิตใจก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันจิตใจเขาก็เป็นของเขาเองแบงแ บ, บนั้น <ceux> เราจะไปบังคับให้เขาเป็นดีได้ตามใจของเราก็ไม่ได้หรอกนะ usion. ทังที่พระเจ้าได้ทรงบอกไว้แล้วว่ารูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันหานี้นะมีแต่ความไม่เที่ยงนะมีแต่ความทุกข์นะไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะแต่เราก็ยังไปยึดนะในร่างกายจิตใจนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะแล้วก็ไปคิดว่าเออเราบังคับบัญชาเขาได้นะต้องทำให้เขาดีอย่างใจเรา พอไม่ได้อย่างใจเราก็มีความเสียใจมีความทุกข์เกิดขึ้นนะเพราะว่าเราไม่เข้าใจอย่างที่พระเจ้าได้ทรงบอกไว้แล้วนะสิ่งเราเนี่ยถ้าเราไปยึดติดอะไรเป็นของเราแล้วเราก็จะมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาแต่ถ้าเรากลับมาเข้าใจในตรงนี้ถึงความที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างแท้จริงนะ <c oughs> ความทุกข์ต่างๆก็จะอยู่ในใจของเราไม่ได้หรอก ในที่สุดเข้ามาแล้วก็กจ่าจ่าเองเพราะว่าเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเท่านั้นเองน ะ, ะเขาตั้งอยู่ไม่นานแต่ถ้าเมื่อใดที่เราไปสนใจเขาไปให้ค่าเขาต่างๆเหล่านี้เขาก็จะอยู่ในใจของเราได้นานน ะ, ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยมาฝึกเจริญสติกันเพื่อที่จะเห็นว่าร่างกายจ ใจนั้นนะเขก็ตกอยู่ในกดพระไตรลักษณ์ทั้งนั้นนะเอเราจะเห็นว่ า, าการปฏิบัติธรรมบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีนะบางวันก็มีสติอแทบทั้งวันอวันต่อมาเราก็อาจจะหลงแทบทั้งวันนะเขาก็แสดงพระไตรลักษณ์แล้วว่าเขาไม่เที่ยงนะเอเราปฏิบัติธรรมไปเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยนะอเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็หน่ายนะเดี๋ยวก็หิวนะ เขาก็แสดงความทุกข so we ์เราเห็นแล้วนะว่าความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะเราก็ไม่ไปยึดถือเขาเดี๋ยวเขาก็จากไปนะเพราะว่าเขาทนในสภาวะเดิมไม่ได้เขาจึงเป็นความทุกข์นะบางทีเรานั่งนานนี้นะเราก็ทนในสภาวะเดิมไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเรื่อยนะเปลี่ยนเป็นลุกขึ้นมายืนเดินนั่งนอนอันนี้เพราะว่าเราเปลี่ยนเพื่อจะแก้ทุกข์นะเพราะเราทนในสภาวะเดิมไม่ได้นั่นเองนัมันก็เป็นความทุกข์ประจําขันหานี้ ทุกนี้ก็ยังมีมากมายนะอะความร้อนด้วยความง่วงนะ อ, ะอาการต่างๆในร่างกายเรามันมีแต่ความที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะอปวดหัวตัวร้อนหนาวเย็นนะตอนนี้ฝนตกบางคนก็ตากฝนอยู่บางคนอาจจะนอนเต็นต์นะก็ลําบากนะเป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าทุกข์นะ ทั่วไปทุกพิจจรเข้ามาเท่านั้นเองนะแต่ทุกประจําสังขารของเราก็คือความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละเป็นทุกข์ที่เราจะต้องยอมรับเข้าให้ได้นะถ้าเรายอมรับในทุกประจําสังขารความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาใจเราก็จะทุกน้อยลงนะแต่ถ้าเราไม่ยอมรับเราก็จะมีความทุกข์มากขึ้นนะบางคนเจ็บให้ได้ป่วยก็ ทุกกายไม่พอก็ไปทุกใจนะว่าเราทําไมต้องเป็นเช่นนี้นะเราทําไมต้องเป็นโลกนี้คนอื่นไม่เห็นเป็นกันเราก็ไปโทษคนนน้นคนนีนะ้โทษเรื่องอาหารการกินนะโทษตัวเราเองนะก็เป็นความทุกข์ใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะก็เรียกว่าโดนยิงทีเดียวลูกธนูสองดอกเลยคือโดนยิงทั้งกายและใจนะแต่ถ้าผู้ใด ย, ยอมรับความจริงว่าเมื่อมีความเกิดแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา ถ้าเราหนีไม่พ้นนะยอมรับไปแล้วก็ไม่มีความทุกข์ในใจนะมีความทุกข์ทางกายเท่านั้นเองนะส่วน อ, อนัตตานะเราปฏิบัติธรรมเราก็จะเห็นว่าเออเขาเป็นแบบนั้นเองนะอืความคิดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หลงไปแล้วไม่ได้อยากคิดอความคิดก็มีสองอย่างคือการตั้งใจคิดตั้งใจคิดเราก็ไม่หลงนะเพราะมันตั้งใจนะเราก็รู้ว่าขณะนี้กำลังคิดอยู่ อ่ส่วนที่ไม่ตั้งใจคิดนี่มีมากมายนะวันวันหนึ่งคิดไม่รู้กี่เรื่องอ่เป็นร้อยร้อยเป็นพันพันครั้งอ่เป็นหมื่นหมื่นครั้งนะเราก็ไม่รู้ว่าเรากําลังคิดไปนะอันนี้ชื่อว่าเราหลงคิดนะเราจะเห็นว่าเออเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้จริงๆนะเขาก็คิดถึงเขาเองนะอ่านะส่วนเราเราก็มีหน้าที่ที่จะรู้นะอ่าเพราะฉะนั้นะนะนะหลวงพ่อเทียงก็บอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะเพราะเมื่อมเมือม่อเมือมอม่อมีความคิดมากนะมีความคิดเป็นร้อยครั้ง เรารู้สักแปดสิบครั้งนี่เราก็เก่งแล้วน ะ, ะเพราะว่าเราเป็นการฝึกให้จิตเนี่ยรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆรู้เท่าทันความคิดที่เกิดขึ้น <c oughs> การที่เรารู้เท่าทันอารมณ์และความคิดนั่นแหละคือสติเพราะสติก็คือความระลึกได้นั่นเองนะเราอ่าสามารถระลึกได้ไหมว่าขณะนี้กําลังคิดอยู่นะอะสามารถระลึกได้ไหมขณะนี้กำลังโกรธอยู่ะสามารถระลึกได้ไหมขณะนี้กําลังรักอยู่ พอเราระลึกได้ปั๊บนี่ก็คือสติแล้วนะอในหนังสือนาวากุวาดบอกว่าธรรมที่มีอยู่พักละมากในมีสองอย่างคือหนึ่งคือสติคือความระลึกได้สองสัมมิชนยะคือความรู้ตัวนะเพราะฉะนั้นเราก็หาสตินี้ไม่ยากนะบางคนไม่รู้ว่าสติคืออะไรก็เลยไปตามหาสติกันบางคนก็นึกว่าสติคือความสงบนะอ่าสติก็คืออ่า ความรู้ตัวก็มีนะอันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องนะแต่สติก็คือความที่เราระลึกได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจิตเราหลงคิดแวบไปนะเรารู้ทันกลับมาเออเราได้หนึ่งคะแนนแล้วนะเออแวบไปอ่ารู้ทันกลับมานี่ก็ได้สองคะแนนแล้วนะเพราะนั้นคะแนนก็เกิดจากการเรารู้ทันอ่ราระลึกได้แนวอารมณ์ต่างๆนั่นเองนะมันก็เลยกลายเป็นความ ที่เร า, ามีสติกลับขึ้นมาครั้งหนึ่งเราก็ไม่หลงไปเพราะการที่เราหลงก็แสดงว่าเราเราไม่รู้นั่นเองน ะ, อะพอเราไม่รู้ปับ๊บมันก็จะหลงไปยาวแต่พอเรารู้ปับ๊บเขาก็กลับมานคะรนี้คนที่มีกําลังหนึ่งก็สามารถที่จะสังเกตในตรงนี้ได้ว่าเขาแวบไปแล้วเขาก็กลับมาแต่ส่วนผู้ที่ยังศึกใหม่ๆหรือยังไม่มีกําลังเพียงพอก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวก็โดยการที่เราสร้างจังหวะหรือเราเดินโยงกลมนี่แหละ ให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตนะให้ให้เขามีหลักอยู่นะให้คือให้จิตเนี่ยเขามีหลักเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นเองนะเราก็อยู่กับการรู้สึกตัวนะสร้างความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆสร้างจังหวะเดินจงกรมไปให้รู้สึกตัวเพราะการรู้สึกตัวนั้นก็คือเราอยู่กับปัจจุบันนะอยู่ปัจจุบันปัจจุบันที่อยู่ต่อหน้าเรานี่แหละแต่ละขณะแต่ละขณะนะอ่าอันนี้เราก็จะทําให้เรารู้เท่าทันอารมณ์และความคิดต่างๆได้เร็วขึ้น เพราะว่าการที mm. ่เราอยู่กับปัจจุบันนี้นะมันจะทําให้เรารู้เท่าทันจิตที่ไหลก็เป็นแนวดีดไหลก็เป็นแนอนาคตได้การรู้เท่าทันในปัจจุบันนี้น่ะแหละจึงเป็นปัจจุบันธรรมด้วยความเป็นปัจจุบันธรรมนี้นะเป็นสิ่งที่ขนาดเดียวในขณะนี้เท่านั้นนะมันจะไม่มีหลายๆขณะนะอเช่นเรายกมือตอนนี้ก็คือปัจจุบันของเราแล้วนะอเราวางมือลงมาก็เป็นปัจจุบันของเราแล้ว เราเอามือมากระทบท้องกระทบหน้าอกก็เป็นปัจจุบันในแต่ละขนะมันก็ดับไปในขนะนั้นแล้วนะเพราะนั้นเป็นการรู้เพียงสั้นๆเท่านั้นเองไม่ได้รู้ยาวนะรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ปล่อยไปนะไม่ต้องไปรู้ยาวเนะพราะจะไปรู้ยาวเนี่ยถ้าเราตั้งใจรู้ยาวๆเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราไปตามตามเพ่งตามจ้องอกลายเป็นรู้แบบเหล็กเส้นน ะ, ะถ้าเรารู้ยาวๆเกินไปตั้งใจมากเกินไป เนี่มันก็จะทําให้เราปวดหัวมีความมึนความเครียดเกิดขึ้นมาได้นะแต่ถ้ารู้ <c oughs> รู้สั้นๆนะะรู้สั้นๆรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ทําใจสบายๆนะอันนี้เขาเรียกว่ารู้แบบเป็นครั้งๆนะรู้แบบเป็นลูกโซ่นะก็คือรู้เป็นข้อๆนั่นเองนะจริงๆแล้วรู้แล้วหลงมันก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ไปตั้งใจต้องรู้อย่างเดียวอเพราะการหลงนี่เป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วนะ มันไม่มีใครรู้ได้ตลอดอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราไปตั้งใจเขาไม่หลงนั่นแหละเราหลงแล้วนะเพราะเราไปหลงหลงให้ที่จะทําในสิ่งที่มันผิดปกติไปเพราะฉะนั้นความเป็นปกติของจิตก็คืออ่าเขารู้แล้วเขาก็หลงได้นั่นเองนะมันไม่ใช่ว่าต้องรู้ตลอดเวลาอะไรหรอกใช่ไหมการที่เราหลงไปแล้วเรากลับมารู้ทันนี่แหละเป็นสติขึ้นมาแล้วนะอ <c oughs> เราก็รู้ไปแบบสบายๆนั่นเองนะ รู้แบบไม่ไม่เป็นแน่นกับกายเกินไปนะถ้าเราแน่นกับกายไปเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้มันตึงมันเครียดนะรู้แบบหลวมๆรู้แบบสบายๆรู้เป็นครั้งครงรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็วางนะจิตมันก็สบายเมื่อเราวางจิตได้ถูกต้องอจิตมีความสบายแล้วเราก็ทำได้ทั้งวันทำได้เรื่อยๆทำแล้วก็มีความสุข ไ, ไม่เครียดไม่ตึงไม่มึนหัวแต่ถ้าเราไปตั้งใจมากเกินไปเขาก็ทนไม่ไหวนะ เขาก็มึนเนี่ยเขาก็โดนบังคับเนี่ยไม่มีใครอยากโดนบังคับหรอกนะอ่าเหมือนกับลูกน้องเราเราไปบังคับให้เขาทำงานเยอะๆอ่าทำงานให้เต็มที่ไม่ให้พักเลยนะทํางานแบบอ่าเราไปคอยคุมตลอดเวลาเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวนะอ่ทนไม่ไหวหรอกอ่าสักวันหนึ่งเขาก็ต้องลาออกไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นจิตใจเราก็เหมือนกันนะเราจะไปบังคับเขาเต็มที่เขาก็ไม่ได้นะอ่าเขาก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะ เพราะฉั้นถ้าระวางใจในตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะมีความสุขในการปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันนะและการปฏิบัติธรรมนี้ก็คือเรารู้เฉยๆก็พอแล้วนะรู้เฉยๆในการปฏิบัติธรรมโดยที่ว่าเราไม่ต้องปฏิบัติเพือ่อจะเอาอะไรนะไม่ใช่เราไปฏิบัตแล้วเนี่ยจะต้องบรรลุธรรมภายในกี่วันหรือจะต้องได้สติภายในกี่วันหรือจะต้อง <c oughs> มีความรู้สึกตัวต่อเนื่องกันทั้งวัน จะต้องบรรลุอะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี้เราไม่ได้รู้เฉยๆนะแต่เรารู้ได้ความอยากรู้ได้ได้การมีตัณหารู้ได้ความโลภนะอันนี้ก็เป็นอกุศลจิตอันนี้ก็ทําให้เราปฏิบัติอาจจะไม่ได้ดีนะเพราะนั้นหลวงพเทียนก็เลยบอกว่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะเพราะว่าความอยากนั้นก็คือตัณหาทั้งหมดนะแต่ให้เราปฏิบัติ ด, ด้วยฉันทะ <c oughs> ฉันท่าก็คือมีความพอใจในการปฏิบัติก็พอแล้วนะไม่ต้องไปไปฏิบัติแล้วต้องได้อะไรนะบางคนมีเวลาน้อยนะออุตส่ามาที่วัดปฏิบัติเดินทางมาต้องไกลหวังอยาก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งะพอหวังปั๊บก็เลยไปตั้งใจมากเกินไปนะการตั้งใจมากก็เลยไปไปเพ่งไปจ้องไปเพื่อที่จะเอาให้ได้นะ น, นั้นปรากฏว่าได้จริงๆนั่นแหละก็คือได้ไปเพ่งเอาอาจจะได้สมถะไปนะ ไม่ได้สติจริงๆนะเพราะเราไปตั้งใจเกินไปนะแต่ถ้าเรามาอยู่กี่วันก็ได้เนาะอะไม่ต้องไปตั้งความหวังว่าต้องได้อะไรมาอยู่น้อยๆวันก็ได้อยู่หลายๆวันก็ได้แต่เราไม่ได้ตั้งอะไรเราเพียงแต่ทาไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองนะจิตก็จะมีความสุขอ่าเพราะว่าการไปบัติมันไม่ได้เอาอะไรเพียงแต่ว่าเราสามารถรู้ทันอะไรได้มากกว่าใช่หไหมจิตก็จะสบายนะก็คือรู้เฉยๆก็พอนะแต่ละครั้งก็รู้เฉยรู้โดยไม่ต้องคิดนั่นเองนะ การรู้แต่ไม่งคิดก็คือการปฏิบัติหลมพระเทียนนี้เป็นการสัมผัสรู้ไม่ได้คิดรู้น ะ, ะแต่ละขณะแต่ละขณะก็คือรู้ไม่ต้องคิดนั่นเองน ะ, ะมันเป็นการออกจากความคิดได้หรือเมื่อมีความคิดแเรวก็ตัดมาที่รู้อีกครั้งหนึ่งมีความคิดก็ตัดมาที่รู้ความรู้สึกตัวมันก็ออกจากความคิดได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปห้ามความคิดแต่เราออกมาเปลี่ยนจาก คิดนะคิดก็คือหลงนั่นเองเปลี่ยนจากหลงเป็นรู้ <ๆ S 2> ก็คือเปลี่ยนจาก ค, ความคิดมาเป็นตัวรู้แทนนะเราก็จะออกจากความคิดต่างๆได้นะก็คือรู้โดยไม่คิดนี่แหละเป็นความรู้เฉยๆไม่ต้องไปหวังอะไรการหวังก็เป็นความคิดอีกนะอการที่เราอยากได้ก็เป็นความคิดอีกเพราะนั้นการรู้โดยไม่คิดก็คือรู้โดยไม่ต้องหวังอะไรแล้วก็ไม่ต้องรู้อะไรด้วยนะก็ ắng? คือรู้เฉยๆเท่านั้นเองนะอ่า ครั้นี้ถ้าเรารู้เฉยๆได้อย่างนี้แล้วเนี่ยหน่อยอะเรามีอะไรเกิดขึ้นต่อหน้าเรานะอารมณ์ต่างๆเช่นมีใครมามาด่าเรามาว่าเรามาหนินทาเราเราก็รู้เฉยๆก็พอแล้วนะรู้เฉยๆก็คือรู้โดยไม่คิดนั่นเองนะอะถ้าไปคิดนะเข้าด่าเราเขาว่าเราเขาเราไม่ได้ทําผิดสัหน่อยมาว่าเราทําไมน ะ, ะหรือเรื่องแค่นี้มาว่าเราได้อย่างไรนะ เราเคยทําดีกับเขาต้องเยอะแล้วทําไมเขามาว่าเราทำไม่เห็นบุญคุณเราหรยนะอันนี้ก็คือเรื่องของคิดทั้งนั้นเลยนะไม่ได้รู้เฉยๆนะพอไปคิดปุ๊บแล้วก็โกรธทันทีเลยนะแต่ถ้าเขามาด่ามาว่าเราเราก็รู้เฉยๆก็พอแล้วก็คือรู้เ้าด่านะเราก็ไม่ต้องไปติดในคาําด่านั้นก็โดยไม่ต้องไปวนในการคิดถึงสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดนะไม่ต้องวนในความคิดนะรู้เฉยๆว่าเขาด่าแล้วก็พอแล้วนะไม่ต้องไปติด ในคำพูดนั้นแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปผักใสาอารมณ์คือไม่ต้องไปคอยติดคอยหลุดกับสิ่งอารมณ์เหล่านั้นนะไม่ไปผักใสาอารมณ์แล้วก็ไม่ไปติดด้วยอันนี้แหละจริงจะเป็นการรู้เฉยเการที่เรารู้เฉยเฉยนั่นก็เป็นการสภาวะที่เราสามารถสังเกตอาการของจิตได้ว่าเขามีความเกิดขึ้นก็คือความโกรธเกิดขึ้นความโกรธตั้งอยู่และความโกรธ ด, ดับไปนะ อความโกรก็จะดับไปโดยตัวของเขาจะได้เองอยู่แล้วนะไม่ใช่เกิดจากฝีมือเรา <c oughs> ทุกทุกอารมณ์นี่แหละเขาเกิดแล้วก็กระดับโดยโดยตัวเขาเองได้อยู่แล้วนะเพียงแต่เราไม่ไปสนใจไม่ไปสนใจไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะการที่เราไม่ไปสนใจไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยนั่นแหละก็คือรู้เฉยๆนั่นเองเราจะเห็นสภาพวัฒธรรมที่เขาเกิดแล้วก็ดับโดยตัวของเขาเองได้นะจากการที่เราเห็นบ่อยๆในจิตจะจางคลายจากลมต่างๆได้เร็วขึ้นะ ต่อไปอารมณ์ต่างๆก็จะเกิดได้น้อยลงนะเพราะจิตเนี่ยเขาสามารถที่จะรู้แล้วว่าอารมณ์ต่างๆนี่เขาเกิดแล้วก็ดับได้เองในสุจจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในลมเหล่านั้นว่ามันไม่มีอะไรเป็นสิ่งเที่ยงแท้แน่นอนนะอารมณ์เหล่านั้นเป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะจิตเขาจะจําสภาวะธรรมได้แม่นยํำในสุดจิตก็จะไม่ไม่ไปติดในรมเหล่านั้นนะเขจะปล่อยได้เองโดยตัวของเขาเองนะแต่ถ้าเราไปผักใส่เขาจิตก็จะจํำสภาวะธรรมไม่ได้ จิตก็จะไปยึดแนวลมเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งอยู่เรื่อยๆน ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าเพียงแต่เรารู้เฉยๆแล้วเนี่ยจิตจะจําสภาวะทำได้ม่นยํารู้ในความเกิดความดับต่างๆน ะ, ะรู้ในความคิดที่เข้ามาแล้วก็ไปนะจิตเขก็จะเกิดการวางวางแนรมนนต่างๆไดนะ้เขาก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวในรมเหล่านั้นอีกต่อไปนะเพราะงั้นการที่เรารู้สึกตัวนี้ลมปทมบอกว่าให้วางกายคลายวางใจกลางๆไม่เพง่งไม่จ้องนะีย เราก็ทํำแบบสบายๆนั่นแหละวางกายก็สบายๆไม่ไปกดไม่ไปตึงนะไม่ไปเครียดไม่ไปเก๊กไม่ไปเก่งนะวางใจกลางๆ ก, ก็คือเราวางใจแบบกลางๆก็คือไม่ยินดียินไร้กับเขาวางใจสบายๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์นีบอกว่าทําเล่นๆแต่ทําไปเรื่อยๆวางใจสบายๆนั่นเองนะอย่าไปเอาจริงเอาจังในตรงนั้นมากเพียงแต่วางใจให้เป็นกลางๆ วางใจกลางๆ ก, ก็คืออะไรเกิดขึ้นก็ได้เราก็รับรู้ไปตามความเป็นจริงนั่นเองนะไม่ต้องไปทําให้เขาดีนะไม่ต้องไปทําให้เขาแย่เราก็อะไรเกิดขึ้นแล้วก็กลางๆนะเป็นกลางๆเท่านั้นเองนะมันก็จะออกจากกิเลสทั้งหลายได้อยู่แล้วน ะ, นะไม่เพ่งไม่จ้องนะก็คือเราไม่ไปเอาจริงเอาจังกับเขารู้เป็นลูกโซ่ก็คือรู้เป็นขณะขณะรู้เป็น ครั้งๆรงรู้แล้วก็หลงได้นะมันไม่ใช่เป็นความผิดของเรานะเป็นความถูกต้องด้วยนะรู้เป็นครั้งครัเนี่ยมันจะสบายเออรู้แล้วก็แล้วแต่เขานะไม่ต้องไปคอยจ้องเขาผู้ใดได้ไปคอยจ้องคอยเพ่งให้เขารู้ตลอดเวลานั้นะเขาเรียกว่ารู้แบบเล็กเส้นไปบังคับเขาเนี่ยมันก็จะเกิดความมึนนะนะแล้วก็เราก็รู้เฉยๆก็พอแล้วนะไม่ต้องไปคอยที่จะไปเอาอะไรในการรู้นะ รู้แล้วก็วางไปนะหรือไม่รู้แล้วก็วางไปนะเป็นการรู้เฉยๆจริงๆน ะ, ะเราก็ไม่ไปห้ามความคิดอนะวันๆหนึงเราไปบัตรธรรมโอ้ไปบัติธรรมนี่จะต้องรู้ตลอดเวลานะต้องไม่คิดเลยอันนี้เราก็ผิดแล้วนะเพราะความคิดเราห้ามก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมเราไม่ห้ามความคิดเพียงแต่ว่าเมื่อมีความคิดเรารู้ทันไหมนะเท่านั้นเองนะเราสติเราเกิดจากการเรารู้ทันความคิดนั่นเองนะอะ่า คิดสิบครั้งนี่เรารู้เก้าครั้งโอ้เราได้คะแนนเก้นาคะแนนเลยนะอ่าเพราะนั้นยิ่งคิดก็ยิ่งรู้เนี่ยไม่ใช่เป็นความผิดของเราแล้วเราก็อทํานำะต่อเนื่องลุกโซ่เลยนะอะคือถ้าเราตื่นนอนนะเรามีเวลาเยอะเนี่ยเราตื่นนอนเนี่ยเราก็ทำํำตื่นนอนปั๊บเนี่ยเราบางทีเราไม่รู้ตัวนะเราก็อย่าเพิ่งลุกจากที่นอน <c oughs> เราก็ฝึกให้รู้ตัวก่อนเออขณะนี้รู้ตัวไหม Uh, พอรู้ตัวปุ๊บเราก็ลุกจากที่นอนเลยนะอ uh, ไม่ก็จะได้ต่อเนื่องกัน uh, ลุกจากที่นอนปุ๊บเราก็พับผ้าหมก็รู้สึกตัวไปได้ด้วยนะรู uh, ้สึกตัวแบบสบายๆนะ uh, แต่เราตั้งใจนิดนึงเอพอพับผ้าหมนี่เมื่อก่อนเราไม่รู้เลยว่ากำลังพับเราก็ตั้งใจรู้นิดหนึง่ง uh, พับซ้ายพับขวาเออเราก็รู้ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ต้องไปเพ่งเขาแต่ว่าตั้งใจรู้ไปเรื่อยๆนะรู้แบบสบายๆเออพอพับผ้าหมเสร็จนะเราก็ไปห้องน้ําแปรงฟัน ล้างหน้าเนี่ยเราก็รู้ไปเรื่อยๆนะรู้บ ส, าาสาบายเออจิตมันก็รับรู้ไปเรื่อยๆนะอา่าไม่ต้องไปตั้งใจที่เยาจริงเยาจังเดี๋ยวเขาก็ลงไปก็กลับมานะแต่เราก็ตั้งใจรู้ไปเรื่อยๆนะเออแม้แต่เราถาอุจอ จ, อจระปัสวะเราก็รู้สึกตัวได้นะเออขนาดอุจจระเรายังรู้ได้เลยนะอ่าสียงต่างเนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆน้อยเราก็รู้ได้ตลอดเวลานะอา่าประเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็เดินมาศาลามาทำบัตรเนี่ยเราก็รู้สึกตัวมันได้ตลอดเวลานะอย่างเนี้ยอ่า เราไปทานข้าวเช้ากลางวันนะทานน้ำปลาเนะก็รู้สึกตัวในขณะทานนะการทานรู้สึกตัวนี่เราก็เวลาเราตักอาหารใส่ปากนี่นะเราต้องวางช้อนก่อนนะอพอระว่างช้อนเสร็จแล้วเราก็เคี้ยวให้นานๆ น, นะเคี้ยวให้นานๆเคี้ยวไปเรื่อยๆนะี่ยเจ็ดสิบแปดสิบครั้งให้มันละลายหายไปกับปากเลยนะมันจะรู้สึกตัวได้เองนะเราไม่ต้องว่าเรารู้สึกอย่างไรหรอกแต่มันจะรู้สึกได้เองนะถ้าเราเคี้ยวไปเรื่อยๆเนะี่ย ครั้นี้ถ้าหากว่าเรามีจิตละเอียดแล้วเนี่ยแม้แต่เราอยากจะกลืนเราก็รู้ทันว่าเราอยากจะกลืนนะเราจะเห็นรสชาติอาหารโอ้มันอร่อยแล้วก็รู้ว่ามันอร่อยนะก็คือเรามีความชอบใจเกิดขึ้นเราก็รู้นะความไม่ชอบใจเกิดขึ้นเราก็รู้เนะี่ยเราก็สังเกตได้เออจิตมันก็รับรู้ได้มากขึ้นนะจากการที่เราไม่รับรู้อะไรเลยเมื่อก่อนเรากินบุ๊บเรากลืนเลยเราไม่รับรู้อะไรแต่ตอนหลังจิตก็จะรับรู้ อ, อาการต่างๆที่ละเอียดได้มากขึ้นนะ การกินอาหารนี่เป็นการปฏริบัติที่ยากที่สุดนะเพราะว่ามันมีความอร่อยมีความเพลิดเพลินไปนะแต่ถ้าเราสามารถสังเกตได้นะเขาเรียกว่าเป็นการปฏริบัติธรรมที่ที่ถูกต้องและที่ดีด้วยนะเพราะทําให้จิตของเราเนี่ยละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆที่จะรับรู้อาหารรสชาติของเขาได้ชัดเจนนะเราจะมีความอร่อยมากขึ้นนะและในขณะเดียวกันอาหารก็จะย่อยได้ง่ายเพราะเราเคี้ยวในละเอียดท้องไส้ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องกระเพาะอาหารนะ ก็เป็นประโยชน์ทางนั้นนะเพราะนั้นจากการที่เราฝึกในตรงนี้เรานำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะว่าเราเราจะไม่หลงมากนะเราไม่หลงมากแล้วก็เราไม่ต้องไปนั่งหลับตาทำสมาธิที่ไหนนะเรากลับไปบ้านใช้ได้เลยนะหรือว่าที่ทำงานงเราเราก็กลับไปใช้ได้เลยนะแต่ถ้าเราฝึกแบบต้องนั่งสมาธินี่ไปที่ทำงานปุ๊กเนี่ยเวลาพักเราไปนั่งสมาธินี่ เจา้านายโอ้สงสัยคนนี้อยากจะบัวชทำมากเลยให้ซองขาวเราเพื่อให้เราไปไปบวชทำได้เต็มที่เลยเนาะแต่ถ้าเราทําแบบอยู่ในบทจริงๆแล้วเนี่ยเจ้านายก็ไม่มีใครรู้เราก็เราปฏิบัติธรรมนะเพราะเราสามารถที่จ ะ, ะสังเกตจิตของเราได้ตลอดเวลานะอยู่กับขานรู้สึกตัวได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะตรงนี้ทำให้เราได้ประโยชนนะ์แม้แต่เราไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้านะไปเดินตลาดสดเราก็ไปบวชธรรมได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะ เพราะการปฏิบัติธรรมนี่ก็คืออยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะไกลขึ้นไหวใจรับรู้นี่แหละก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนะเป็นการเจริญสติแล้วนะถ้าเราไกลขึ้นไหวแล้วใจรับรู้เนี่ยมันจริงๆแล้วมารับรู้ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าเวลานี้คือปฏิบัติธรรมแล้วใจจะรับรู้เวลานี้ไม่ไม่ปฏิบัติธรรมใจไม่รับรู้อันนั้นก็ไม่ใช่เพราะเมื่อเราเวลาเราปฏิบัติธรรมเราใจรับรู้ได้พอเราไม่ปฏิบัติธรรมเราเดินเล่นๆใจก็รับรู้ได้เหมือนกันนะ เพระใจเป็นสิ่งที่เขาอสามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างได้ถ้าเราฝึกเขาแต่ถ้าไม่ฝึกเขาเขาก็ไม่รับรู้หรอกเพราะว่าเขาเป็นใจที่เรียกว่าชอบเพลินไปในอารมณ์ต่างๆอยู่แล้วนะอ่าเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงผดธาตธรรมรมอเขาจะไม่ยอมรับรู้อะไรไง่ายๆหรอกเขาชอบเพลินอเขาชอบไหลไปในทางต่ําำเพราะว่าสิ่ ง, งเนี้ยเป็นสิ่งที่เเขามีความสบายมีความสุข มีความติดในรมต่างๆมาก่อนนะใจที่ไม่ได้ฝึกก็ย่อมติดอารมณ์ต่างๆได้ง่ายเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆแต่เมื่อเราฝึกแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เพลิดเพลินเขาก็จะอยู่กับความรับรู้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้ตัวได้นีอันนี้ก็เรียกว่าใจที่ฝึกได้ดีแล้วนะพอใจฝึกได้เงี้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีกิเลสเข้ามารบกวนนะกิเลสก็เข้ามาได้น้อยมากเพราะเรารู้ทันกิเลสเพราะกิเลสก็คืออารมณ์ต่างๆนั่นเองนะ กินเลยก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองน ะ, ะเราจะรู้ทันออขณะนี้ตำลโกรธ น, น, นะนะเรารู้ทันขณะนี้กาลังโลภนะนะเรารู้ทันเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บมากินเลยก็จะลดลงไปเลยลดลงไปเลยนะเกิดจากการรู้ทันนั่นเองนะรู้เฉยๆนั่นแหละนะไม่ต้องไปให้ก็ลดหรอกแต่ถค่เรารู้ทันเขาก็น้อยลงไปแล้วนะเพราะว่าเขารู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีนะมันนําความทุกข์มาให้เราเนี่ยพันการปฏิบัติธรรมนี้จึงเป็นสิ่งไม่ยากนะเป็นสิ่งง่ายๆในชีวิตประจําวันของเรานี่เองเพียงแต่ กายเคลื่อนไหวใจรับรู้เนี่ยก็จะรู้ทันได้แล้วรู้ทันอารมณ์ได้เองนะรู้ทันความรู้ตัวต่างๆได้นะดังนั้นเมื่อกายเห็นจิตเนี่ยกายเห็นจิตดูกายเห็นจิตนะเมื่อเราดูกายเราก็จะรู้จักจิตของเราเมื่อเราเห็นจิตนะก็คือดูก็คือเราดูความคิดได้เราก็จะเห็นธรรมนะดูความคิดก็เห็นธรรมดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมในสุดล้วก็จะได้เข้าใจธรรมะ อ่าได้บรรลุธรรมในในที่สุดนะโอกาสจากการที่เราสามารถที่จะรู้เท่าทันกายและใจของเราในครั้งนี้นะอ่าก็ขอทุกท่านนะมีความเจริญก้าวหน้าในศีลสติสมาธิปัญญานะและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเถินเตรียมตัวกลาบพัก